เมื่อคืนวานนะบรรยากาศมันแตกต่างจากเมื่อสองคืนก่อนมากเลยนะถ้าเราคงจำได้เมื่อสองคืนก่อนเนี่ยสามสิเธันวาโดยเพราะยิ่งดึกเท่าไหร่เนี่ยจะมีเสียงเพลงเสียงประทัดเสียงพลุนะโดยเพราะพอถึงใกล้เที่ยงคืนเนี่ยมันมีเสียงสนัน่นะนะตลอดทั้งคืนเลยก็ว่าได้อย่างน้อยๆก็จนถึงเที่ยงคืน จนบางคนที่นอนไม่หลับนะตื่นขึ้นมาเลยเพื่อนคืนเนี่ยพอเสียงประทัดเสียงพรูนิ่มดังอย่างต่อเนื่องแต่พอมาถึงคืนวานเนี่ยนะหนึ่งม ก, กราเนี่ยวันีเงียบสงบเลยนะจนบางทีเปรียบเทียบแล้วนี่มันเหมือนกับเงียบเงาไปเลยทั้งที่หนึ่งธันวาก็อันหนึ่งม ก, กราก็เป็นวันที่หลายคนรู้สึกว่าเป็นวนันแห่งความสุขแต่ว่า บรรยากาศมันแตกต่างกันมากนะระหว่างคืนวานกับเมื่อสองคืนก่อนทำไม ถ, ถึงเป็นอย่างนั้นนะเป็นเพราะว่าผู้คนเนี่ยเขาสนุกสนานรื่นเริงกันอย่างเต็มที่นะแบบสนุกสุดเบียงบางทีถึงก็โต้รุ่งกันเลยนะพอถึงวันรุ่งขึ้นหรือมการาก็หมดแรงเหนื่อยนะต้องพัก ก็เลยไม่มีการเสียงดนตรีเสียงร่งรารื่นเริงบันเทิงอย่างคืนก่อนหน้านั้นเลยเป็นเพราะว่าคนจนนั้นไม่น้อยรู้สึกมันรู้สึกเหงานะความรู้สึกมันแปลเปลี่ยนไปจากที่เคยฟูมันกลายเป็นแฟบแเพราะว่างานเลี้ยงงานสนุก มันเลิกลาคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะสนุกเพียงใดมีงานลื่เนเลงยาวนานแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องมีวันยุติเรียกว่างานเลี้ยงจะมีวันเลิกลาพอการเลี้ยงฉลองยุติหลายคนก็รู้สึก ห่อเหี่ยวขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยไปเที่ยวนะไปเที่ยวในที่ที่แปลกหูแปลกตาแต่ไปจนภัยสนุกแต่พอถึงวันหนึ่งม ก, กราหรือสองม ก, กรานี่มันหมายความว่าต้องกลับแล้วเพียงแค่นึกว่าจะต้องกลับไป ใช้ชีวิตตามปกติกลับไปสู่ชีวิตเดิมเดิมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาได้รู้สึกเหงาวังเวงขึ้นมาเลยที่จริงมันก็แปลกนะทธันวาเนี่ยผู้คนก็รอคอยตั้งนานต่างตารอคอยอาจจะตั้งแต่30ทธันวารหรือ29ทธันวาแล้ว รคอยปีใหม่แต่พอปีใหม่มาถึงหนึ่งมกราหรือสองมกรานี่ความรู้สึกมันก็แปรเปลี่ยนไปนะเหมือนกับว่าตอนที่มันเป็นของใหม่ยังมาไม่ถึงนี่แหมมันก็ดูมีสเสน่ห์แต่พอมาถึงแล้วหรือพอได้มันมาแล้ว มันก็รู้สึกว่าสเสน่ห์จางลงไปเพราะมันไม่ใช่ของใหม่แล้วเราตื่นเต้นรอคอยปี6 5เพราะมันเป็นของใหม่แต่พอปีหกหมาถึงนะมันก็ไม่ใช่ของใหม่แล้วละก็อาจจะคงไม่ต่างจากเวลาเราอยากจะได้อะไรที่ไม่เคยได้ ตอนที่รัวมันกำลังจะมาถึงนี่เราก็ตื่นเต้นนะแต่พอมาถึงแล้วได้มันมาแล้วความตื่นเต้นก็ลดลงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของใหม่แล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่กับเรานี่แหละยิ่งถ้าผ่านไปนา น, น, าน พอมันกลายเป็นของเก่านี่เราก็ยิ่งไม่สนใจมันเลยรอของใหม่อันใหม่นะมันเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาดูนะในบรรยากาศที่แตกต่างกันระหว่างสาสิเธันวากับหนึ่งมกราเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึง ความรู้สึกของผู้คนก็ น, น่ความรู้สึกที่จากเดิมที่ฟูก็กลายเป็นแฟบนะจากการที่เคยตื่นเต้นนะมันก็กลายเป็นเงียบเหงาจากเดิมที่เป็นคึกคักก็กลายเป็นวังเวง มันมีความสุขที่เกิดขึ้นกับผู้คนนะส่วนใหญ่เลยนะเวลาความสนุกสนานยุติเวลางานเลี้ยงได้เลือกราเวลาการท่องเที่ยวมันยุติและถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆมยิ่งดีใจมากเท่าไหร่นะ มันก็ยิ่งเสียใจมากเท่านั้นแหละนะถ้าใจเราฟูมากเท่าไหร่พอเป็นแฟบมันก็แฟบมากเลยมันก็เหมือนคนที่หัวเราะเสียงดังด้วยความดีใจเวลาสมหวังแต่เวลาเสียใจก็ร้องไห้ดังเหมือนกันหัวเราะดังมากเท่าไหร่ก็ร้องไห้ดังมากเท่านั้นสนุกสุดเบียงมากเท่าไหร่นนะมันก็ เศร้าหงอยมากเท่านั้นเมื่อทุกอย่างยุติที่จริงเนี่ยถ้าเราลองสังเกตใจของเราเนี่ยหรือความรู้สึกของเรามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแฟบความรู้สึกหงอยเหงาเมื่อความสนุกมันยุติเมื่องานเลี้ยงเลิกราบางทีตอนที่กาลังเพลิดเพลิน สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสดุกกับงานเลี้ยงหรือขณะที่กำลังเที่ยวได้เจอสิ่งที่แปลกใหม่หลังจากดีใจสักพักเนี่ยหรือตื่นเส้นสักพักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นมันก็แค่นั้นน่ะมันก็แค่นั้นแหละนี่ลองสังเกตดูความรู้สึกของเราเนี่ย มันจะมีความสึกแบบนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังสนุกสนานเรากำลังอยู่ท่ามกลางงานเลี้ยงหรือว่าการท่องเที่ยวไอตอนที่เฝ้ารอมันก็ตื่นเต้นอยากจะให้วันนั้นเหตุการณ์นั้นมาถึงไวๆแต่พอได้ นะสมใจแล้วไอ้ความดีใจเนี่ยมันก็ชั่วแรกก็ดีใจนะแต่ว่าความดีใจมันก็ไม่นานน่แล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอหลวงพ่อชาเนี่ยท่านมีวลีหนึ่งที่ท่านสอนลูกศิษย์ย้ำอยู่เสมอนะคือมันก็แค่นั้นแหละ มันก็แค่นั้นแหละให้เราลองสังเกตดูนะสิ่งที่เราโหยหาไฝ่ฝันเนี่ยอยากมีอยากได้อยากเสพไอตอนที่เฝ้ารอมันก็ตื่นเต้นตนะแล้วเมื่อสมหวังนะเราก็มีความสุขเราก็มีความดีใจ แต่แล้วถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละหรือบางทีก็สงสัยขึ้นมามันแค่เนี่ยงเหรอมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความรู้สึกว่ามันสุขไม่เต็มอิ่มนะความรู้สึกว่ามันไม่เต็มอิ่ม ไอ้ตอนที่ยังไม่ได้เสพยังไม่ได้มียังไม่ได้เนี่ยโอ้มันรู้สึกเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาแต่พอมีแล้วมันก็ดีใจมันก็มีความสุขแต่ว่ามันสุขไม่เต็มที่จึงเกิดความรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละหรือว่าเท่าเนี้ยงหรือนี่ยนี่ก็เป็นธรรมดานะของความสุขเลยว่าความสุขจาก สิ่งเสพไม่ว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สินเงินทองอาหารการกินหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนมามธรรมเช่นความสำเร็จชื่อเสียงรางวัลเนี่ยหลายคนนะมีความภาพเพียรพยายาม ในการที่จะทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานตอนสำเร็จก็ดีใจดีใจมากนะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละไม่เกิดความรู้สึกพอใจอย่างเต็มอิ่มได้รางวัลก็เหมือนกันนะโอ้อยากตอนที่ได้รางวัลมันก็ลิงโลด รางวัลที่หนึ่งแชมป์นะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกเฉยๆแล้วมันก็แค่นี้เงเหรอมีบางคนนี่รวยมากนะมีได้รถซปเปอร์คาร์มาราคาเป็น2 0 3สาล้านนะที่แรกก็ดีใจแต่พอถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เท่านั้นแหละ ความรู้สึกดีใจมันลดลงแล้วทำไงถึงจะมีความสุขเพิ่มขึ้นหรือมีความสุขต่อเนื่องก็ต้องมีคันใหม่ได้คันที่สองมาก็ดีใจแต่ว่าก็สักพักก็มันก็เท่านั้นแหละหลายคนก็ดิ้นรนที่จะหามาเพิ่มเพิ่มแต่ความไม่พอ ความพอใจมันก็ไม่เคยเต็มอิ่มสักทีอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆอย่างที่เคยพูดไปเมื่อสองวันก่อนนะมาทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเสื่อมมันสลายไปในที่สุดเท่านั้นนะแต่ยังหมายความว่ามันมันมีความพร่องมันไม่สามารถจะทำความพอใจให้เต็มอิ่มหรือเต็มร้อยได้ คนที่ถูกคนที่ปรารถนาที่จะได้รางวัลที่หนึ่งะถูกรัตเตอรี่เนี่ยวันแน่นอนนะตอนที่ได้มันี่ก็ดีใจมากกระโดดโลดเต้นบางทีประกาศได้ใครแต่ใครรู้ว่าฉันถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งนะมันก็เท่านั้นแหละความดีใจมันลดลงแล้วหลายคนก็ต่อดทายนะปรารถนาที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองหรือครั้งที่สม เพราะว่าไอ้ที่เคยได้มานี่มันก็เท่านั้นแหละ น, นี่มันทําให้คนผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้จักคําว่าพอเพราะว่าความสุขที่ได้มานี่มันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มร้อยนี่ยังไ ม, ไม่ยังไม่พูดถึงว่าผิดหวังนะโอ้ถ้าผิดหวังนี่มันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เลยแต่ถึงแม้สมหวังแล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยทําให้เรามีความสุขอย่างเต็มที่เลยได้มาแล้วมันก็เท่านั้นแหละนะ แต่จริงมันไม่ท่านั้นนะเพราะว่ามันก็อยากได้อีกเพื่อจะได้เติมเต็มนะเติมความสุขให้เต็มให้เต็มร้อยแต่มันไม่เคยเต็มร้อยสักทีเพราะมันจะมีความสุขอยู่เสมอว่ามันก็แค่นั้นแหละท่านหลวงพ่อชาท่านก็ย้ำวลีนี้ให้กับลูกศิษย์นะไม่ว่าจะเป็นภาคหรือโยมเนี่ยก็เพื่อให้ได้เห็นว่าไอ้ความสุขจากการมีการได้การเสพเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันมันไม่เคยทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจคนด้วยนะถ้าว่าเราลองสำรวจทบทวนความรู้สึก ข, ของเราเวลาเราได้สมหวังในสิ่งต่างๆที่รอคอยมานานแล้วถึงจุดหนึ่งนะมันก็รู้สึกเฉยๆอันนี้มันเตือนใจเราได้นะ เวลาที่เรากาลังแสวงหาสิ่งใดก็ตามเนี่ยเตือนใจว่าเออได้มาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกอิ่มเอม้มเต็มอิ่มนะเตือนใจไว้เสมอก็ดีเหมือนกันโดยเพราะเมื่อไม่สมหวังเนี่ยเวลาไม่สมหวังเป็นทุกข์เนี่ยเสียใจว่าเสียใจที่ไม่ได้มันมาเสียใจที่ไม่ประสบความสำเร็จวานที ทำหรือประโยชน์นี้มันก็เตือนใจเราได้นะว่าอย่าไปเสียใจมากเลยเพราะว่าถึงแม่ได้มามันก็แค่นั้นแหละเออหลายคนเลย น, นะเวลารักใครปรารถนาจะได้คนนั้นนะมาเป็นคู่เนี่ยพอเขาไม่มีใจให้เนี่ยก็รู้สึกทุกข์ระทมมากเหลือเกิน ฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเขาหรือฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเธอหลายคนนี่นะอยากจะตายเลยนะถ้าเกิดว่าไม่สมหวังแตพอสมหวังขึ้นมานะมันก็ดีใจอยู่สักพักหนึ่งนะแล้วสุดท้ายก็มันก็แค่นั้นเองเหรออยู่กันไม่นานก็เลิกหรือบางทีก็ไปมองหาคนใหม่แทน ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะตายให้ได้นะถ้าไม่ได้เขาหรือไม่มีเธอเนี่ยแต่ในขณะที่กำลังทุกข์อยู่นะเวลาทุกข์เพราะความไม่สมหวังเนี่ยถ้าเราเตือนใจของเราสมัยว่าเออถึงได้มาถึงสำเร็จถึงสมหวังมันก็แค่นั้นแหละมันก็จะช่วยทำให้เราไม่ไม่ทุกข์ระทมมากก็ได้หรือขณะที่กำลังนะ ดิ้นร น, นะนขวนขวายเพื่อจะให้สิ่งนั้นให้ได้สิ่งนั้นมาด้วยหวังว่ามันจะให้ความสุขกับเราเต็มที่นะอาเตือนใจด้วยวลีนี้มันก็ช่วยได้นะนะไม่ให้เราไปไปหวังความสุขจากมันมากเกินไปเอ้ยในยามที่เราดิ้นรนแสวงหาความสุขเนี่ยนะให้ลองนึกถึงวลีนี้เอาไว้ มันจะได้ไม่รู้สึกห่อเหี่ยวหรือผิดหวังมากในเวลาที่พบว่าแม้ได้มาแล้วก็ไม่ได้สุขอย่างแท้จริงมีพระที่บวชนานนะแล้วก็ตอนหลังก็โผล่หาอยากจะกลับไปเป็นคาราวาดเพราะคิดว่าเป็นคาราวาสแล้วเนี่ยจ ะ, จะมีเสรีภาพจะมีอิสระ ได้ทำอะไรในสิ่งที่ชอบรวมทั้งได้แสวงหาความสุขอย่างเต็มที่อย่างที่ตอนที่เป็นพระทำไม่ได้ตอนที่ศึกใหม่ๆก็ดีใจนะโอ้โเลี่ยงฉลองกันแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็มันก็แค่นั้นเองเหรอบางทีรู้สึกเสียดายนะเสียใจนะว่าฉันไม่น่าศึกเลยเนะี่ยพอคิดว่าจะไปจะไปอยู่หรือไปเจอสวรรค์นะแต่สุดท้ายมันก็ ไม่ใช่อย่างที่คาดหวังนั้นเตือนใจเราเสมอนะเวลาเราไฝ่ฝันปรารถนาอะไรก็ตามทรัพย์สินเงินทองอชื่อเสียงความสำเร็จรงวัลนะอย่าไปเป็นบ้านเป็นหลังกับมันมากนะเพราะว่าพอได้เปนมาแล้วก็อาจจะผิดหวังที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างเต็มที่ที่จริงมันมีอีกวัน ล, ลีหนึ่งนะที่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะโดยเพราะ เวลาที่เราอยู่ในภาะตัองข้ามนะคือเจอทุกเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปเวลามีความทุกข์อะไรก็ตามนี่จนบางทีนี่จมดิ่งแทบจะเป็นจะตายกับมันแล้วลองเตือนใจตัวเองสักหน่อยนะเออแล้วมันก็จะผ่านไปความทุกข์ความเศร้าวความโศก มันไม่จีรังหรอกไอเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกข์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นความสูญเสียจากแปลงคนรักเนี่ยเขาไปแล้วก็ไม่ควรกลับมาแต่ว่าไอความเศร้าโศกความเสียใจความอบแขวนี้มันมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันไม่จีรังแล้วก็จะผ่านไปมันก็เป็นประโยชน์ที่ให้ความหวังกับเรา ในยามที่มีความทุกข์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้เราเนี่ยเพลินลหลงไหลกับความสุขมากถ้าเราตรงหนักว่าความสุขที่มีอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วมันก็จะผ่านไปเกิดความรู้สึกใหม่เข้ามาแทนที่ก็คือว่ามันแค่นี้หรอือหรือว่ามันก็แค่นั้นแหละแล้วมันจะผ่านไปนีมน่มันแสดงถึงจะทมข้อหนึ่งนะคือความไม่เที่ยงอันที่จัง ส่วนมันก็แค่นั้นแหละมันแสดงสัจธรรมที่ชื่อว่าทุกขังคือการที่มันไม่ให้ความสุขกับเราอย่างเต็มอิ่มพอทุกอย่างเนี่ยมันพร่องจึงเรียกว่าเป็นทุกขังนี่ไม่นับนะเมื่อมันเสื่อมมันสลายไปเนี่ยก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่ไอ้ตอนที่ได้มันมาสุขชั่วคราว แล้วก็รู้สึกเฉยๆพอ่อแมนก็แค่นั้นแหละแต่พอเสียมันไปหรือมันเสื่อมดับไปนะก็เสียใจให้ความเสื่อมความเสียหรือการที่มันไม่เป็นไปดังใจเนี่ยก็เพราะมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราควบคุมได้มันก็สมหวังดังใจคือไม่เสื่อมไม่เสียไม่แปลเป็นอื่น คนรักเขาก็ยังเหมือนเดิมนะหรือว่าสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันู้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อเราควบคุมไม่ได้มันก็เลยไม่เป็นไปดังใจหวังของเราในการที่มันควบคุมไม่ได้ เลยไม่สมหวังเนี่ยเราเรียกว่าทุกข์ส่วนการที่มันแปลเปลี่ยนไปตามเหตุตามไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่อยู่ในอำนาจของเราอันนี้เราเรียกว่าอนัตตานะอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งนะซึ่งที่จริงมันก็แฝงอยู่ในวลีสองวลีนี่แหละนะมันก็แค่นั้นแหละแล้วก็ แล้วมันก็จะผ่านไปอันนี้จังทุกข์ของนาตานะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสําสหรับหลายคนและบางทีมันก็เป็นนามธรรมาแต่พอเรานึกถึงหรือใครควรนะถึงความจริงที่ว่านี่แล้วมันก็จะผ่านไปหรือว่ามันก็แค่นั้นแหละถ้าเราเข้าใจมันอย่างท่องแท้นี่มันก็ทําให้เรานะเข้าใจเรื่องใตรักมากขึ้น และทำให้เราเนี่ย เ, เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้ถูกต้องไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเพราะว่ามันล้วนแต่แปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงความสุขสมหวังก็ไม่เที่ยงความทุกข์ระทมก็ไม่เที่ยงและกรัรคาดหวังความสุขอย่างเต็มที่มันก็ ไม่มีทางที่จะสำลิดผลได้เพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเต็มอิ่มกับเราไม่มีความไม่มีอะไรที่มันจะให้ความสุขเต็มร้อยและยั่งยืนกับเราได้ฉนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องเสียงต่างได้อย่างถูกต้องเนี่ยไม่ปล่อยให้มันไม่ไปยึดติดถือมั่นกับมันหรือไม่เป็นทุกข์ เมื่อมันแปลเปลี่ยนไปหรือเมื่อมันไม่เปลี่ยนไปดังใจหวังอ่าคำเดียวก็พูดท่นนี้นะอ่ากลาวพระพร้อมกัน